ตอนนี้ฮะเป็นผมยกให้เขาเป็นเจ้าพ่อเรื่องผีอีกหนึ่งคนคนระับที่จะมาแชร์ประสบการณ์อย่างที่บอกว่าคุณคิงแกมีประสบการณ์เยอะนะครับทั้งเรื่องที่เจอเองกับเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาวันนี้มีสองเรื่องครับเรื่องที่จะมาเป็นบทสรุปของข่าวที่แล้วที่คุณคิงเคยเล่าเอาไว้เรื่องสยองจากหลวงพระบางแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับเพื่อนผู้กลับมาแบบไม่หวังดีมีเวลาอยู่ตรงนี้ประมาณ เกือบๆครึ่งชั่วโมงครับน่าจะได้อยู่ฮะตอนนี้คุณคิงอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับพี่แดงแหมหลายคนนี่รอคุณคิงเลยนะพอรู้ว่าคุณคิงจะมานี่มาเหมือนมาตีตีตัวรอเลย<ม>นะฮะ<ม>เป็นเหมือนเป็นเป็น คล้ายๆกับเป็นโลโก้ของรายการนี้ไปละนะคุณพิงมาประสบการณ์สุดยอณมากเลยครับพเราขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับอาคุณคิงเวลาเรามีอยู่ประมาณตรงเนี้ยช่วงสุดท้ายเหมือนเดิมเดี๋ยวมา <c oughs> ว่ากันถึงเรื่องแรกก่อนนะครับต่อนเนื่อง <c oughs> มาจากครั้งที่แล้วที่เราค้างค้างเอาไว้สรุปแล้วว่าคุณลุงปริศนาคนนี้เนี่ยผมยังจําเรื่องนี้ได้ดีนะฮะคุณลุง <c oughs> คนนี้เนี่ยแกรู้เรื่องของบ้านหลังนั้นมากน้อยขนาดไหน นะฮะต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับคือมันเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เหมือนกับเป็นบ้านที่ อ, อยู่เอาไว้สําหรับใช้นู่นใช้เนี่อะไรอย่างเงี้ยผมเล่าคร่าวๆไปเลยแล้วกันแต่ปรากฏว่าเหมือนกับมีผู้หญิงน้องผู้หญิงคนหนึ่งตอนนี้ก็ดูสดอยู่ที่ทางแฟนเพจของรายการอยู่ด้วยนะครับเขาเข้าไปเจอเหตุการณ์แปลกๆในบ้านโดยการแนะนําของคุณลุงคนนึงบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าบ้านนี้มีอะไรเนี่ยให้ไปเอาเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ ในคืนวันเนี้ยทุกวันพระต้องไปไหว้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็ผ่านไปลุงคนนี้ก็พยายามมาถามตลอดว่าเฮ้ยคุณไปไหว้แล้วหรือยังทุกวันพระก็จะมาถามตลอดแล้วก็เจอเหตุการณ์แปลกก็คือตอนที่ขึ้นไปไหว้เนี่ยเขาเห็นเหมือนกับเป็นวิญญาณมองเห็นผ่านกระจกบานใหญ่นะครับมากําลังลุมกินของของเครื่องเส้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นปริศนาว่าคุณลุงคนเนี้กันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านหลังนี้อันนี้ผมย้อนให้ฟังคร่าวๆก่อน ค, คุณทม่อ๋อคุณพิงมาต่อผมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่บ้านหลังนี้คือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับพี่จ้งผมได้บอกน้องเขาว่าเพราะว่าน้องเขาไม่อยากที่จะไปยุ่งกับลุงคนนี้แล้วแล้วก็โดนคนห้ามหลายคนเขาก็เลยใช้วิธีการให้น้องๆเขาอะทั้งหมดประมาณสามสี่คนอะไปหลอกถามอืการที่จะไปหลอกถามก็คือเหมือนกับว่าไปกลุ่มแรกก่อน่อากลุ่มแรกก็คือไปไปสองครั้งนะครั้งแรกก็สองคนก็คือไปถามเพราะว่า ลุงลุงเป็นใครลุงมาถึงไหนแล้วมาอยู่นี่นานเรา ย, ยัางเหมือนเราคุาไปคุยสบายเหรอแล้วก็ค่อยๆเข้าเรื่องนี้ว่าลุงได้ยินข่าวเนี่ยเพราะว่าวบ้านนี้มันมีผีจริงไหมครับแล้วก็มันมันไอ้ร้านนี้มันมีผีจริงไหมมันเป็นอย่างนี้จริงไหมแกก็คงจะด้วยความที่ว่าไม่ได้คิดระวังตัวอะไรครับแ่ก็เลยพูดให้ฟังว่าอืมแต่เดิมเลยอ่ะแกเองก็ไม่ได้ดูเรื่องอะไรหรอกพอดีแก เคยมีส่วนร่วมกับร้านเนี้มาก่อนคือมันก็ว่าเคยได้ทํางานให้กับร้านนี้มาก่อนนะตั้งแต่สมัยที่มันเป็นรุ่นแรกๆก่อนที่มาเป็นร้านณปัจจุบันเนี้ยมันเป็นมาหลายร้านเป็นมาหลายอย่างแล้วแต่เคยทํางานอยู่ที่ตรงนั้นแล้วแกก็ได้มีโอกาสขึ้นไปข้างบนครับพอขึ้นไปข้างบนแต่แกไปเจอหุ่นที่มันเป็นเพื่อนดินเพื่อนฝนดำๆอ่ะพี่อพอแกไปเจอแต่แกก็เหมือนกับพยายามที่จะปัดกวาดจะถูทำความสะอาดแล้วตั้งแต่วันนั้นแกก็เจอเรื่องแปลกๆตลอดมาโดยที่ มันจะต้องบังคับผู้สมเรับเองคุณลูกมันจะต้องบังคับให้ลุงแกน่ะเอาของมาไหว้ถ้าไม่ทํามันจะเรียกเอาใครสักคนหนึ่งที่มาสัมผัสแล้วให้ลุงคนเนี้ยเป็นคนหลอกให้เขามาทําหน้าที่นี้ต่อแ ล, และมันจะเอาคนคนที่ไปทําหน้าที่อยงนั้นนะ่ะไปทุกคนถึงวาระตายทุกคนที่ผ่านมาออือและน้องดาก็เป็นรายล่าสุดจะรู้ตัวแล้วออกมาก่อนเพราะว่าอะไรทำไมไอ้ตัวที่เป็นคนหน้าสุดอ่ะเหมือนกับว่าเป็นผีที่ใหญ่ขนาดนั้นนะทาร้ายน้องดา ปรากฏว่าก็คือว่าลุงเนี่ยแกเคยไหว้แต่ของข่าวออืไหว้แต่ของดิบแต่้องดาไปถึงไหว้ของสุกออืไหว้ของอาหารที่มันสุกที่มันผิดผิดนิสัยแต่มันต้องกินเพราะมันหิวไงพี่พอมันต้องกินเพราะมันหิวมันก็เกิดอาการที่ว่าคือมันไม่ใช่อ่ะมันผิดมันของตะแหลงนะแต่มันจําเป็นต้องกินไงไม่ได้ดั่งใจมันมันก็เลยออกอาการในกันกั่นแกล้งทําร้ายแล้วก็เจ้าให้ตายแต่ก็ยังโชคดีที่มีตัววิญญาณที่ กป้อง้องดาอยู่ออืและระรอบที่สองที่น้องก็งให้ไปถามอีกครั้งว่าครับกลัวว่าจะไม่เหมือนกันคําตอบได้เหมือนกันแต่พี่แจ็คฟังประโยคสุดท้ายไว้นะครั บ, บถ้าใครอยู่ที่ประเทศเราแล้วฟังตอนนี้ด้วยนะออืคําตอบที่ได้ก็คือมึงไม่ต้องมาถามหรอกตอนเนี้ยกูได้คนใหม่แล้วหมายถึงว่าได้คนใหม่ที่จะมาเส้นไหว้แทนน้องดาแล้วเหรอใช่ครับพี่ผมฟังน้องดาหกลุกมมางเลยที่มากเขาว่าพี่ลุงพูดกับ น, น้องหนูมาอย่างนี้นะว่าออื มึงไม่ต้องมาถามกูและ้ะกูไม่ใส่ใจกับพวกมึงและ้ะกูได้คนใหม่แล้วอือคิดว่านะเวลานี้จะเป็นยังไงกับคนนั้นนะโอโอเฮ้ยเหมือนลุงคนนี้ครต้องทําหน้า<ก>ที่อย่างนี้ตลอดโ อ, อ้คือถ้าไม่ทํา <c oughs> ก็จะโดนโนู่นโดนนี่โด น, โดนอะไรที่มันไม่ดีนะครับใช่ครับจนเรือ่องจนเรื่องันเออ น, นี้ย พอพอผมว่าห้น้องดาเห็นนดาก็เล่าให้ฟั ง, งถึงประสบการณ์ใหม่ที่ว่าเกี่ยวกับสมัยที่เขาเรียนเรื่องที่ว่าเพื่อนผู้กลับมาบแบบไม่หวังดีนี่ก็เป็นเรื่องของน้องดานะครับแล้วฮะเออเอเอ เ, อเอขากล่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันยังมีภาคต่อแน่นอนแต่เราจะไม่รู้ข้อมูลลึกๆแล้วเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่จะเข้าไปทําหน้าที่แทนน้องดาที่เคยอยู่ที่บ้านหลังนี้ถูกไหมฮะครับใช่แล้วก็เหมืเป็นการเหมือนเป็นบ้านเลี้ยงผีประมาณนั้น ใช่ครับแ ล, ลุงคนเนี้ยแกคือพูดง่ายแล้วว่าแกยอมรับมาเต็มตัวแล้วว่าแกเป็นคนรู้เห็นทุกอย่างแล้วเป็นคนให้น้องดาไปทําเรื่องในหนึ่งในสิ่งนั้นก็คือที่แกบอกกับไอเด็กกลุ่มแรกที่ไปถามมามแกบอกว่าก็เพราะว่าพวกมันอะเลือดดาโอ้โหโอ้คือเห็นเด็กคนนี้มาทํางานที่ร้านแล้วคิดว่าเอาเด็กคนนี้แหละมีสาคัญเอาเด็กคนนี้แหละคือไปบังคับบอกลุงคนเนี้ยอลุงคนนี้ที่มาทํามาทําเป็นว่าต้องอยู่ในเวลานั้นๆที่มันพอดี ทั้าทั้งที่เขาไม่สงคนรจะอยู่ในเวลานั้นน่ะเพื่อมารอตอบคําถามของดาแล้วหลอกล่อให้ดาขึ้นเป็นคนเป็นคนขึ้นไปไหวมันไม่ไม่ใช่เวลาที่เขาสงคนจะมาอยู่นะฮะจลางคืนที่ร้านเปิดแต่เขาก็มาอยู่มาอยู่ตรงนั้นเพื่อรอให้คําทุกอย่างมันเหมือนโดนวางไว้แล้วตามล็อกเหมือนเหมือนเหมือนหาทายาทคนต่อไปที่จะมารับตรงนี้ไปอ่ะครับต้งทำหน้าที่ไหวตรงนั้นครับสมัยแกไม่ทําเองไม่รู้นะผมคิดว่าแกเองก็คงที่จะ ร้องขอที่ผมคุยกันน้องดานะคงจะร้องขอว่าทํายังไงถ้าแกจะไม่ใช่คนที่ต้องไปเสียตลาดหรือทําอะไรตรงนั้นอืเพราะแกคงจะกลัวตายอะไรที่จะมาพูดแน่เลยว่าอืมเป็นคนไม่ดียอมเอาคนอื่นเข้าไปแลกดีกว่าตัวเองอะ่ะว่างั้นดีกว่าออผมคิดว่านะและที่สําคัญคือบ้านหลังนั้นมันต้องมีประวัติความเป็นมาอะไรแน่นอนคือที่สําคัญหุนน่นไงหุ่นตัวนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันมาจากไหนมันเป็นของใครใช่ครับใช่ไหมซึ่งลุงแกไปเจอมาเหมือนกัน โอ้นะครับอ้าวนะฮะนั่นคือบทสรุปที่ยังไม่เป็นบทสรุปโดยแน่แท้นะครับของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ที่หลวงทบังนะฮะที่สป ป, ปลาวจริงจริงน้องดาเขาจะพยายามที่จะไปหานะแกเขาจะพยายามที่จะไปหาแล้วจะไปห้ามเด็กคนคใหม่นั่นเขาพูดกับผมอยู่แต่ผมคือผมผมโนค o ม m e n t เนี่ยผมไม่ออกความคิด ผมจะบอกว่าตัดสินใจเอาเลือกอเอาตรงนี้พี่แนะนําไม่ได้แต่เขาบอกเขาสงสารเขาอยากจะไปบอกเด็กคนนั้นว่าอย่าไปทําตรงนั้นออืซึ่งตอนนี้ผมก็ยังแบบไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยถ้าเราบอกอยา่าก็เหมือนกับว่าเราเราจะปล่อยเพราะนั้นเผชิญเผชิญชะตาชีวิตแต่เราบอกเอาเลยแล้วถ้าเกิดน้องดาเข้าไปแล้วมีปัญหาล่ะเพราะฉะนั้นผมขออยู่เป็นกลางก่อนตรงนี้ผมไม่สามารถแนะนําอะไรได้จริงๆถูกต้องคือถ้าไปแนะนํำถ้ามันดีก็ดีไปถ้ามันไม่ดี ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรข<ร>ึ้นอเอออะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ยังคงเป็นปริศนานะครับต่อไปของของบ้านหลังนี้นะครับก